กิจวัตรของชาวบ้านกิจวัตรของชาวบ้านเนี่ย 1. มาตาปิตุอุปัฏฐานังอุปถากเลี้ยงดูบิดามารดา 2. กุเลเชษฐาปัจจายินังเคารพนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในวงตระกูลการเลี้ยงดูบิดามารดาเป็นมงคลอันสูงสุด เคารพนอบน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่ในวงตระกูลได้ในมงคลข้อที่ว่าบูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคัลมุตตมังบูชาบุคคลผู้ควรบูชาเป็นหลักใจลูกในวงตระกูลถ้ากอดแข้งกอดขาพ่อแม่ไม่ยอมปล่อยพ่อแม่บอกว่าอย่านะลูกลูกหยุดทันทีเขาจะมีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป ถ้าพ่อแม่บอกว่าอย่านะลูกไม่พอใจลงส้นตูมตุมตูมเดินหนีต่อหน้านั่นแหละความหายณนะกำลังจะก้าวเข้ามาสู่เขาแล้วการเลี้ยงดูพ่อแม่เป็นหน้าที่ของบุตรธิดาเราตัวเล็กๆข้าเล่าเรียนก็ยังต้องขอพ่อขอแม่ข้าขนมไปโรงเรียนขอพ่อขอแม่เราจะเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เราได้อย่างไรได้สิ เลี้ยงน้ำใจพ่อแม่บอกว่าอย่านะลูกหยุดทันทีอย่าฝ่าฝืนนี่วิเศษที่สุดเราจะสามารถหาเงินหาทองแก้วแหวนจินดามากองท่วมหลังคาบ้านมอบให้ท่านแต่ไม่รู้จักเอาอกเอาใจท่านมันไม่มีความหมายสำหรับพ่อแม่ลูกทุกคนจะต้องนึกเสมอว่า เวลานี้พ่อแม่ดิ้นรนกระเสือกระสนเพื่อใครก็ต้องนึกว่าเพื่อเราท่านทำงานหลังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินทำงานหามรุ่งหามคำ่ำตามหน้าที่ของตนก็เพื่อลูกเท่านั้นพ่อแม่เนี่ยเป็นพระพรมของลูกเพราะท่านมีพรมวิหารสีเมตตาท่านรักกรุณา ขวนขวายช่วยเหลือเพื่อจะให้พ้นจากทุกข์มุติตาพลอยยินดีเมื่อลูกได้รับความสุขสบายพ่อแม่ไม่มีความอิจฉาริษยาลูกของตัวเองมีแต่ปรารถนาดีอูเบขาสบายใจในเมื่อลูกมีความสุขสบายนี่คือความปรารถนาของพ่อแม่ดังนั้นพ่อแม่จึงเป็นพระพรหมของเรา เราะอาศัยที่ท่านมีใจบริสุทธิ์ต่อเรานั่นแหละท่านจึงเป็นพระอรหันต์ของเราเมื่อพ่อแม่แก่ชราลงหรือไม่แก่ไม่ชราก็ดีหน้าที่การเลี้ยงดูหรือการอุปถัมประทากเมื่อเราต้องอาศัยบุญบารมีของท่านอยู่รับใช้รับสอยปฏิบัติให้ถูกอกถูกใจสิ่งใดที่พ่อแม่ปรารถนาให้เราทํา เพื่อความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตทำให้ท่านได้อกได้ใจอันเนี้ยเป็นวิเศษที่สุดลูกคนใดสละทรัพสมบัติสละตำแหน่งหน้าที่การงานเพื่อหนีเอาตัวรอดแต่ตัวคนเดียวแต่หันหลังให้พ่อให้แม่แม้แต่เทวดาก็ยังไม่ยอมคบค้าสมาคมกับบุคคลผู้นั้นสิ่งใดที่พ่อแม่ปรารถนา แม้ว่าเราจะไปตายในสนามรบเราก็ยอมพ่อแม่ของเราก็คือบรรพบุรุษที่ท่านสร้างบ้านสร้างเมืองให้เราอาศัยอยู่ในเมื่อเกิดเหตุจำเป็นมาจะต้องป้องกันประเทศชาติบ้านเมืองท่านบอกว่าอา้าวต้องไปรบป้องกันบ้านเมืองเราก็ต้องไปถึงจะไปตายในสนามรบแต่เราก็ได้สนองความต้องการของท่านอย่างเต็มที่แล้วเพื่อรักษามรดกของท่าน ที่ท่านตกทอดมาไว้ให้เรา